จะได้ออกจากเรืออันเป็นเสมือนวนโจดเช้าวันรุ่งขึ้นพนางจันทเทวีให้พระโอรสอาบและดื่มตามความปราถนาแล้วให้ประทับนั่งบนพระเปลาสวงกอดพระโอรสนั้นพิล่าปรำพันนานาประการแต่พระโพธิสัตว์หาด้วยวันไหวไหม่ได้เวลานายสุนันทรข า, าสารถีก็นำรถเทีย ม, มามานาพระถนะเข้าไปสู่ว่างอัมีสิริ ไหวบางคนพระอัครมเหสีแล้วกราบทูลว่าขอพระแม่เจ้าอย่าได้เกลือข้าพระบาทเลยข้าพระบาทพระพระราชบัญชาบากราบทูลชนีแล้วเอาหลังมือกันให้พระนางผู้ส่วนกอดพระโอรสอยู่หลีกไปอุ้งพระราชกุมารตระหนุกันดอกไม้ลงจากปราสาทขณะนั้นพระนางจันทเทวีก็ดสยายพระเกลืสาค้อนประทรวง ทรงปริเทวันาการดังสนั่นอยู่กับนางสนมให้ประสาทนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาทรงการแสงก็ทรงโทรมาลั่ตามกลืนว่าพระราชมารดาจากวายชนเพราะความโศกนั้นจึงมีพระประสงค์จะตรัส ด, ด้วยแต่มาคำนึงว่าหาพูดออกไปความพยายามที่ทํามาตลอดสิบหกปีก็จะไร้ผลหาประโยชน์อันใดไม่ได้ ถ้าเราไม่พูดออกไปก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน เ, เองและแก่พระราชมาดาและแก่มหาชนคิดจัางนี้แล้วจึงไม่ได้พูดแม้จะมีอาการโศกาโดนอยู่ก็ทรงอดกลั้นเสียระหนับนั้นสนันท่าสารถียกพระโพธิษัตว์ขึ้นมอรถตั้งใจว่าจะขับตรงไปทางด้านทิศตะวันตกแต่ถูกเทพเจ้าดนใจให้ขับรถตงรงไปทางประตูทิตตออก รถกระทบรณีประตูพระโพธิสัทรงตรีว่าความตา้นาของเราจนจะถึงที่สุดแล้วทรงเช่อเช่ออย่างยิ่งตาที่ในสถีขับรถไปนั่งไม่ใช่ปราชาผีดิบแต่ตากดแก้เขาเสมอนว่าเป็นปราชาผีดิบเขาได้พบที่อ่นนางเรือนๆแห่งหนึ่งจึงละหยุดรถเข้าข้างลากาแล้วลงจากรถ เรื่องเครื่องแต่พระ อ, องค์ขอพระโูธิสัตว์ออกของวางไว้แล้วถือจอบเริ่มขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยม ใมือและท้ามาเป็นเวลาสิบหกปีมือเท้าของเรายังใช้ได้หรือไม่หนาะสองท่านหุดเช่นนี้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นลูบแผดเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ทรงทราบว่ายังมีกําลังดีอยู่เสด็จดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งจึงทราบว่ากําลังของพระองค์สามารถไปได้ถึงหนึ่งร้อยโยพระคพรที่สัตว์ทรสงทราบว่า หากนายสารถิจะทําร้ายพระองค์พระองค์ก็พอสู้ได้จึงเดดิบไปยังที่ขุดหลุมกล่าวทักกายในสุนันทะขึ้ว่าท่านเรียกขุดหลุมสี่เหลี่ยมทาไมนายสุนันทะตอบว่าพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวเป็นบ้าหนือง่ายเพี้ยเสียขาตรงคนไม่มีจิตใจพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรให้ข้าพเจ้าลำมาฝังเสีลป่า เจ้าชายราชทา ย, ยาทแห่งแคนกาสีตล่าว่าเราไม่ได้เป็นคนโง่ไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้เป็นคนน้อยเปี่ยนนี่จะมีอินทรีย์วิกลมิการหากท่านฟังเราสุนุป่าท่านก็ได้ชื่อว่าได้ทําสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท่านจงดูขาทั้งสองของเราสิประหนึ่งหลับจนกล้วยแขนทั้งสองของเราคล้ายสีเหงืห่อใบกลวยจนคาท่านจงฟังคำที่เราจะกล่าวนี้เถิด ล้ว น, นเป็นคาที่อ่อนหวานเราไม่ไบ่เลยนะสุนันทะ a นายสันติฟังแล้วสงสัยยิ่งนักเงยหน้าขึ้นดูจังพระโพ ธ, ธิสัตว์ไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันตุนใครหรือเป็นบุตรของใครพระโพ ธ, ธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันเราเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสิกราช พระราชาผู้ที่ท่านพึงบรมีเลี้ยงชีพออยู่เสมอถ้าท่านฝังเราเส้นในป่าชื่อว่าได้ทําสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสุ น, นัน tha เอ๋ยไม่คนร น, น, นั่งนอนใต้ร่มเงาแห่งพระสชัชนาไม่ควรหาก่างรานกิ่งแห่งพระสัชนาตันหากทําลงไปชื่อว่าเป็นผู้ประทุสรายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม เราเป็นเหมือนกี่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยรูปเมา ที่สัตว์ตรกส อ, อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวโอรสแห่งพระเจ้ากาสีมีความประสงค์จะให้เสนธีเชื่อความข้อนั้นแต่เพื่อให้เราเทพเจ้าโดยสาธุการจึงกลัสคาถาบูชาเมตรหรือหลักแห่งนิธรรมนันต่อไปนี้เมื่อบุคคลใดไม่ประทุส ร, ร้ายบิตชนเป็นอันมากชอบเข้าไปพึ่งพาอาศัยบุคคลนั้นเขาจากบ้านเรือนของตนไปสู่ที่ใดก็าตาม ย่ำได้รับพักษาไม่ปลายไม่อดอยากสองบุคคลใดไม่ได้ไปทุสรายมิตรบุคคลนั้นไปสู่ชนบทหรือนิคมราชธานี้ใดๆก็เป็นผู้อันมูชนในนิคมช น, มนบทราชธานีนั่นนั้นบูชาไม่ขัดสนอย่างไรอย่างหนึง่งสบุคคลใดไม่ได้ไปทุสรายมิตรโจรทั้งหลายไม่อาจย่ำยีบุคคลผู้นั้นได้กษัตริย์ก็ไม่อาจดูหมิ่ บุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นมูฮัมหมัดทั้งปวงสี่บุคคลใดที่ได้ประทุ ส, สร้ายมิตรย่อมกลับมาสู่เรือนของตนด้วยอาการเช่มชื่นเมื่อเข้าสู่สภาก็ได้รับการต้อนรับเป็นผู้สูงสุดในหมู่ญาติห้าบุคคลใดไม่ได้ประทุ ส, สร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นสักการะผู้อื่นแล้วย่อมได้รับการสักการะตอบ เคารพผู้อื่นแล้วย่อมได้รับการเคารพตอบเป็นผู้มีคุณอันใายๆชอบพณาถึงและมีเกียรติศักดิ์ร่ำเรื่อกันว่าเป็นคนดีหบุคคลใดไม่ได้กระทุศล้ายนิดผู้นั้นเป็นผู้บูชาผู้อื่นย่อมได้รับการบูชาตอบเป็นผู้ไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหว้ตอบยศและเกียรติย่อมฟุ้งขจรไปเจบุคคลใดไม่ได้เป็นทุศล้ายนิด บุคคลนั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิงหรือภัยโรคประดุษเทพพญดาผู้มีเดชานุภาพเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยสิริแบุคคลใดไม่ได้ประทุสร้ายนิดโคของบุคคลนั้นย่อมเกิดมากมายพืชทิวานลงในนาของเขาย่อมเจริญน่านามเขาย่อมได้บริโภคผลของพืชทิวานไปแล้วดังเกบุคคลใดไม่ได้ประทุสรายนิด บุคคลนั้นเมื่อตกจากภูเขาหรือต้นไม้ย่างได้ที่พึ่งไม่มีอันตรายสิบบุคคลใดไม่ได้ประทุสรามิตรสัตรูทั้งหลายย่างยีเขาไม่ได้มนต์ลมทำลายไม่ได้ซึ่งต้นไทรที่มีรากติดต่อกันพัวพันนอกนามย่างลงลึกในแผ่นดินนานสมัยทศวรราทีแม้สนับคาถาสิบคาถาอยู่ช่นีก็ยังจำพระโพธิสัตว์ไม่ได้ จึงดำรีว่าใครหนอกลา่าวคาสุภาสิทธิ์ไปรอนักมื่หน้าขึ้นดูก็ยงังจำไม่ได้แต่และหยุดการขุดหลุงเดินไปที่รถไม่เห็นพระโพธิสัตว์และห่อเครื่องประดับจึงกลับมาลดูอีกครั้งหนึ่งจึงจำได้ข้าประคองอัญชลีถวายบังคมแล้วทูลว่าขอพระราชบุดจงเสด็จมาเถิดข้าพระองค์จะารไปสู่พระราชวางังคลองราชสมบัติ จะประโยชน์อะไรได้วยการอยู่ในป่าพระราช บ, บุตรจึงตอบตอบว่าสารธีเอย๋ยเราไม่ต้องการราชสมบัติทรัพย์หรือญาติใดาหากราชสมบัตินั้นเราจะได้มาด้วยการประพฤตธรรมพระองค์ผู้ประเสริฐและพระองค์เสร็จกลับจากที่นี่ข้าพระองค์จักมีความยินดียิ่งนักและมยากเก็บถึงพระราชวัง พระชนม์พระชนม์ีจากยินดีเป็นที่ยิ่งนอกจากนี้สมนมนารีและพ่อค้าประชาชนจะแสดงความยินดีเป็นอางมากคงจะให้รางวัลแก่ข้าพระพุทธเจ้ามากมายแม้กองทัพต่างๆคือกองทัพจางม้ารถและเป็นเดินเท้าก็เช่นกันคงมีความปรีดาและประทานรางวัลแก่ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชบุตรจงเสด็จกลับไปเถิดจะอยู่ทำไมในป่า ดยก่อนสารถีเรานั้นอันพระนจมาดาปิดาทอดทิ้งแล้วชาวร่างของสละเราแล้วย่าเรือนของเราไม่มีเราถูกทอดทิ้งแล้วจริงๆเราจะดำรงตนอยู่แต่เพียงผู้เดียวจะบวชอยู่ในป่าไม่ปราถนาการมารมใดๆทั้งสิ้น ถึงพระคุณธรรมของพระองค์อย่างนี้พระปีติก็บังเกิดขึ้นเพราะไม่ได้เห็นทูวประการใดๆของตนจึงเป็นอุทานด้วยกาลังพระปีติว่าความหวังผลย่อมสําเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยเราเป็นผู้มีพรหมจรรย์แก่ก้าสุขความเต็มที่แล้วความหวังผลและประโยชน์โดยชอบย่อมสําเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยรเรามีพรหมจรรย์อสุขความเต็มที่แล้ว ออกบวดแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนในสารีถูปว่าพระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์มีพระวาจาสละสลวยเห้นป่า น, นี้ฉะไหนจิไม่ตรักในสมณแข่งพระราชมานดาบิดาเล่าเราไม่ได้เป็นใบหรือเหนืหรือไม่เปื้อนเสียขาแต่ประการใดแต่ถ้ราเล็กถึงชาติก่อนที่เคยครองราชสมบัติแล้วต้องตกนรถค้อเป็นสถานที่สวยทกยิ่ง เราคลองราชเพียงยี่สิบปีต้องสวยรคทุกนรก ถ, ถึงแปดหมื่นปีเราจึงกลัวการคลองราชจึงอธิษฐานจิตว่าขอชนทั้งหลายย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นเราจึง ไ, ได้พูดในสำนักของพระราชบิดาเราเคยนั่งบนพระเพลาของพระบิดาไละยินเสียงสั่งให้นำชนไปฆ่าไปจองจำเขีย่ยนตีทรมาณ แท้แทงโจนผู้หนุ่มด้หอกราชรถมังเกลือที่แผลเราได้ฟังดังนั้นแล้ววาดกลัวจ่อ ก, การของราชดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นไบก็ทํำสมมติว่าเป็นไบ่ไม่ได้ไง่อยก็ทํำสมมติว่าเป็นง่อยแกล้งกลืงเกลือบจนอยู่ในกองอุจจ ร, ประะาปัสสวะของตนเราได้มองเห็นโดยชัดแจ้งว่าชีวิตนี้ลําบากเป็นของน้อย ทั้งประกอบไปได้วยทุกนาาประการทำไมเล่าจะต้องอาศัยชีวิตซึ่งน้อยอยู่แล้วนี้ทำเวรกรรมเพื่อประกาศความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในการไม่ยอมสเสด็จกลับพนานนครพระโพธิสัตว์จึงกร่ซ้าอีกว่าความหวังผลย่อมสาเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยพระอาจารย์ของเราสุขอมแล้วแก่เต็มที่แล้วเราออกบวชแล้วไม่มีภัยอย่างแน่นอน ดูกรสารถีท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสมานท้าสารถีฟังดั ง, งนั้นเกิดความสงสัยสลุดคิตว่าอภิ ร, ราชกุมารผู้เพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการมีหวังในราชสมบัติแั่งโอราแห่งปานี้อย่างสาลเสียแล้วออกบวชก็ตัวเราเองเล่ามีสมบัติอะไรที่ยิ่งกว่าพระราชบุตรทรัพย์สมบัติของเราทเทียบกันไม่ได้เลยกับทรัพย์ของพระองค์ เรจจาจะอยู่ทำไมเล่าควรออกบวชเช่นเดียวกันจึงการาบทูลพระราชกุมารว่าข้าแต่พระราชบุตรข้าพระองค์จะขอบวชจะสนักของพระองค์เหมือนกันแต่นีย ก, กุมารทรงพึงว่าหากว่านายสมณพะบวชถึงเวลานี้พระราชมารดาและพระราชบิดาจะไม่มีโอกาสเสด็จมาที่นี่ความเสื่อมจะมีแค่พระองค์ทั้งสอง ม้ารถและเครื่องประดับมันมีค่าก็จะสูญหายไปเปล่าอันหนึง่งการคารหาอาดเกิดขึ้นแก่เราว่านายสุนัน t ะถูกเราผู้เป็นยักษ์เป็นปีศาจกินเสียแล้วจึงไม่ได้กลับไปจึงกลัดกับนายสุนัน t h ว่าสุนน tha ท่านอยู่นี่อยู่ม้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ข้าพเจ้าขอมอบให้แกท่านขอให้ท่านนํารถ มาและเครื่องประดับกลับไปก่อนบนรรฑิชาของท่านผู้หานี่วิได้จึงจะชอบเป็นการอันท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสังเสริญนายสนังท่ารำพึงว่าหากเรากลับไปสู่พระนครเล่าความตามความเป็นจริงให้พระราชาและพระอัครมเหสีสงทราบแล้วเพราะองค์จะเจ้าเสด็จมา หากไม่เห็นพระราชกุมารจะพึงว่าเราหลอกลวงพระองค์และจะพึงลงราชทานแกเราเปแน่แท้เราควรจะผูกมัดขึ้นพระราชกุมารไว้ด้วยวาจาก่อรแล้วจึงถูกว่าข้าแต่พระยุพราชข้าพระองค์จะกลับไปหากพระองค์จะพระราชทานซึ่งปฏิญาณข้อหนึ่งแกข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็จะกลับไป สิ่งที่ข้าพระองค์ขอพระราชทานก็คือเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่กลับมาขอให้พระองค์ประทับที่ที่ไม่และเสด็จไปที่ไหนข้ามองพระยุพาราโดยสายตาแสดงความมีหวนพระโพธิสัตว์พระราชทานปฏิญาณนั้สุนันทาก็รีบขับรถเข็นมามุ่งหน้าสู่ประตูเมืองพาราณสีพระนางจันทเทวีประทับอยู่ที่ริมพระแก่ ด้วยพระไทยกระวนกระวายแม้สุนันท า, ากลับมาแต่เพียงผู้เดียวดวงหัุถไทยของพระนางประหนึ่งว่าจะแตกทำลายลง เปลี่ยนน้นไปด้วยพระอสุชนด้วเข้าประทัยว่านายสารถถีได้ฝังราชโอรสเสียแล้วแต่แม้ยังไม่ทราบความจริงแท้เพร่อนางก็ยังมีความหวังแม้จะเหลือู่น้อยเพียงเล็กน้อยก็าตามความหวังซึ่งเป็นโอสถรอเลี้ยงดวงใจของมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจริงอยู่เมืม่อไรหวังความผิดหวังก็ไม่มีแต่ใครเล่าจะตัดเือได้ซึ่งความหวัง พระนางจันทเทวีก็ถึงเมองนั้นรับสั่งให้มายสารถีเรียบข้าเฝ้าทั้งพระเนตรที่จะนองด้วยพระอสุชนนั่นเองพระนางได้ตรัสฐานนาสนันทะาโดยพระกระแสเสียงรคะควเสื่อื่นว่าสนุนนทาเอ๋อยบอกฉันหน่อยสิว่าลูกฉันเป็นบ้าหรือหนวกหรือไม่เกลื่อเสียขาจริงหรือไม่และขณะที่เธอฝังโอรสของเราในแผ่นดินนั้น เขากระดุกกระดิกมือหรือท้าอย่างไรบ้างบ่าวผู้เสื่อสับเต็มการอย่างไรตนเปลี่ยงปด้ความที่ประโยคเชนั้นให้รู้สึกมีความโศกอย่างลึกซึ้งแต่เป็นไปเพียงครู่เดียวแล้วปีติโสมงนง็ดก็มาขมความโศกทั้งเสียเมื่อรึกถึงท่าการเจ้าชายที่มีลักษณะอุดมด้วยมีบุญญาธิการและมีวาจาไพเราะยิ่ง เพื่อปลอบพระทัยพระนางและทูลแถลงความจริงนายสันท่าจึงกราวทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระองค์จรงประธานอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดจะขอกลาบทูลความเป็นจริงที่ได้เห็นและได้ฟังในสํานักแห่งพระราชโอรสและแล้วนายสันทานสารถีก็ได้กราบทูลความจริงทุกประการแก่พระนางสันเทวีปิติโสมนัส ได้เ อ, อ่อท้นขึ้นท่วมทับ พ, พระมนต์แห่งพระอรันตมเหสีทระนางทรงยิ้มยาเชื่นบา น, านปางเป็นหนึ่งบุปผาช่ำรับคำคำ้างพระร่างพรมในลาตรีและได้รับระศมีแห่งแสงทองเมื่อแรกครุ่งอรุณชจ้าภาพิสงส์อราชนีความสศร้าและความสุขความขมขื่นและความเชื่นบานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวิถีชีวิตอยู่เสมอไม่ได้ขาดไม่ว่า ชีวิตนั้นจะเป็นของพระราชาหรืออาจกของพระอัครมเหสีหรือของนารีผู้มีศักดิ์เพียงางานทาตในเรือนเบีย้ยพระนาอุทานออกปาว่าโอ้เทพพยญยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยขขาแล้วข่าวใดเราจะทำให้ดวงใจของเราเต็มบริบูรณ์เช่นข่าวนี้ฝ่ายเตมียกุมารโพธิสัตว์วันไรศรัทธีกลับไปแล้ว จึงอธิษฐานเพีบปันประชาเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นจากโลกิยารมทั้งปวงทรงกระทำหนังเสือฉเฉวียงพระอังศาผูกมังทนชดายกขานขึ้นเหนือพางสาทรงถือทานพระกรสำหรับคนชราเสร็จออกจากอาสมทรงจงกรมกลับไปกลับมาเพื่อให้สิริแห่งบรรปชิตเกิดขึ้น Thank mm -hmm. you. สุขที่เกิดจากความปลอดโปรง่งไม่มีความขบวนใดๆทรงเปลนงอุทานขึ้นว่าการพรนวดของเราด้วยความสุขอย่างยิ่งแล้วเด็ดข้าสู่บารรณศาลาประทับนั่งบนที่ลาดดใบไม้ทําอภิญญาห้าและสามาบัดแปให้เกิดขึ้นเสร็จออกจากบารรณศาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมากเม่าที่เกิด ท, ที่ใกล้จุงกลมนึ่งในภาชนะสวยแล้ว เจริญพระมวิหาสีสำราญพระอิริยาบกิทอยี่นั้ น, นฝ่ายพระเจ้ากาศิกราชและพระาคาราพเหสีได้ทรงทราบข่าวอันเป็นมงคลได้แล้วรียบเสด็จไปยังป่าอันเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์พระเตมียราชฤาษีทรงตั้นรับพระราชาดุดีรับสั่งให้ราชบุรุษ ป, ปูราษราชบาลังเพื่อพระราชาประทับ แต่พระเจ้ากาสิกราถายอมประทับไม่เพราะความเคารพในเพลษีปุธิสัตว์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษปูลาดใบไม้ถวายพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ยอมประทับอีกเพราะเกรงพระทัยและเคารพพระราชาประทับนั่งบนแผ่นดินพระเตมียกุมารเข้าสู่บรรณาศาลานำใบบักเม้าออกมาถวายพระราชา จอมคนเห่แข้งกาสีทอดพระเลขแต่ไม่ได้สวยส่งหยิบใบหมากเน่าใส่ฝาพระหัสหน่อยหนึ่งด้วยความเคารพในพระโพธิสัตว์แล้วกลับถามว่าท่านสวยใบหมากเน่านี่หรือเป็นอาหารนี่แหละมหาภพิษเป็นอาหารขัตมาภาพแม่พระองค์องเองจะไม่เสวยแต่ก็ทรงสรรเสริในอาหารของพระโพธิสัตว์ว่าหาได้ง่ายไม่มีโทษเป็นต้น ประทัดนั่งรับสั่วาจาอันเป็นที่รักกับพระโพธิสัตว์อยู่ขณะนั้นเองพระนางจังทเทวีอันนางสนมแม่ล้อมแล้วเสด็จมาจับพระบาททั้งสองแห่งพระปิโยรสราชนสีทรงกราบแล้วกันแสงพระราชาทรงสงใบหมักเม้าให้พระราชนิทอดพระเนตรากลับว่านี่แหละพ่อเจ้าของโอรสเราเธอจงดูเถิด ท่านอยู่ได้ด้วยโพูดชนะอย่างนี้ทรงประทานใบหมักเม้าให้แก่พระนางพระนางประทานให้แก่สนุนนารียนอื่นคนละนิดเพื่อดูเป็นตัวอย่างนางเหล่านั้นเลื่อมใส ย, ยิ่งแล้วนำใบหมักเม้าวางบนทิศทางแห่งตนด้วยความเคารพและกล่าวว่าพระเจมิยราชฤาษีทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง พระโทธิสัตว์ไม่อยู่ในป่าได้สี่วันพระราชาและพระราชินีจึงสเสด็จมาเฝ้าเห็นพระราชโอรสผิวพรรณผ่องใสแม้จะสวยเพียงใบหมักเม่าก็ตามทรรงประหลาดพระทายยิ่งจึงตรัสถามว่าดูฉันอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าเมื่อท่านอยู่ในป่าจะเพียงผู้เดียวนั่งนอนมิที่ราดโดยใบไม้ฉันอาหารเพียงใบหมกักเม่าฉะนัผิวพรรณจึงผ่องใส พระโพธิสัตว์ประกาศความค่อ น, นว่าอัตมาภาพในรูปเดีย่ยวเหมือนเครื่องราที่ทําด้วยใบไม้กองรักษาการเขา อ, อัตมาภาพไม่ดีอัตมาภาพมีผิวพรรณผ่องใสเพราะนอนผู้เดียวนั้นและเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่หู้แล้วไม่ปรารถนาอารมณ์อนังมาไม่ถึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันธรรมเพราะปรารถนาอารมณ์อันยังมาไม่ถึง เพระตามเร้าโศกถึองอารมณ์ม่วงแล้วคนผ่านเธอหลายย่อมเหือดแห้งสู้ผอมดุดไม้อ้อสดที่บุคคลตัดแล้วทิ้งไว้กลางแดบบ พราชบิดาทรงอะไรในพระโพธิศัตว์อยู่มีความปรารถนาจะอภิเษกราชโอรสไว้ในราชสมบัติจึงทรงเชื้อเชิญโดยนำสมบัติมาเล่าหากพระราชนาีสีจะพอพระทัยในการครองราชดิฉันจะมาบให้ซึ่งกองช้างรถมาและ้นเดินเท้าทั้งปวงพระราชนิเวศสถานที่น่ารื่นรมนางในที่สวยประดับประดาด้วสัพพพร ให้ทรงอภิรมต่อชีวิตหนุนเสียก่อนแล้วจึงค่อยบวชในภายหลังพระนารถุธจึงตรัสต่อพระราชบิดาว่าคุลบุตรควรเรียประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่ยังหนุมลักษณะนี้ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทหลายสันเสริญอัตมาภาพพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์หาพอใจในสมบัติไป คนทั้งหลายทั้งบุรุษและสตรีโดยมากนั้นไม่ทันแก่ก็ตายแล้วใครจะถือวิสาสะต่อชีวิตไม่ได้ว่าเรายังหนุ่มยังใครต่อความตายอายุขอบุคคลน้อยนักวันขืนล่วงไปชีวิตก็สั้นเข้าไปไม่ผิดอะไรกับชีวิตของปลาทั้งหลายในหนองที่มีน้ำน้อยสัตว์โลกถูกชราแลาานะบูรณะห้อมร้อมครอบงมอยู่ไปนิด อัตมาภาพจึงไม่ปรารถนาราชสมบัติเพราะมันต้านทานชราและมรณะไม่ได้วันคืนล่วงไปไม่ได้ล่วงไปเปล่ายังทำให้อายุผิวพรร์และกำลังสิ้นไปด้วยขอพระองค์ทราบเถดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างทอหูกทอไปได้เท่าไรส่วนที่ต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยฉะนั้น แม่น้ำที่เต็มมีแต่หลลงย่อมไม่หลายกลับอายุของมนุษย์ทลายมีแต่ล่วงไปล่วงไปไม่ถอยหลังกลับเลยความแก่และความตายย่อมพัดพากอบชีวิตของสัตว์ทลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ที่ริมฝั่งให้โค่นลง ผู้พนแล้วจากเครื่องผูกทั้งปวงความตายไม่เว้นใครไว้เลยจะต่อสู้โดยกองทัพใดๆก็ไม่ได้กองทัพเหล่านั้นไม่มีในมรณะสงครามเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรรีบทําความเพียเพรเผาบาปใช่แต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือไม่เราจะผัดเพี้ยนโดยบรรดาผูมีเสนาใหญ่นั้นไม่ท่ายเลย อาตมาภาพปาทะนะพรรมจันร์ยิ่งกว่าอย่างอื่นหมดพระราชาและราชบริสัทธ์บังเกิดความรื่ำไส่ในทรรมคาถาของพระโพธิสัตวป์ประกอบด้วยความรักที่มีอยู่ในพระราชโอรสจึงทรงสละราชสมบัติออกประนวดมีพระราชบริพานออกบวชตามจํานวนมากมายส่วนพระราชินีและสนมนารีทั้งหลายก็บวชเป็นตาประสิทธิยังอภิน ญ, ญาและสมาบัติได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นน้องเห็นคุณค่าแห่งชีวิตยอย่างแท้จริงพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้เจบแล้วตรัสยังเป็นนิคมพดว่าภิกษุทั้งหลายเราจะท้าคดสระราชสมบัติออกมาหาผิ้น่ายสกลในการนี้กว่าหาไม่ได้แม้ในกาลก่อนเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เราได้เคยสลักมาแล้วภิกษุทั้งหลายฟังแล้วประทิ่งใจเป็นที่ยิ่ง ทรงเป็นตัวอย่างในทางเสียสละความสุขอันเป็นโลกีเช่นพระเตมีโพธิสัตว์แล้วพระบรมศ า, ศาสดายังทรงเป็นตัวอย่างในทางอื่นอีกมากมายเช่นทางความเพียรและความอดทนเป็นต้นทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันทางความเพียร น, นั้นเช่นสมัยเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกโพธิสัตว์เดนทางโดยทางเรือจากนาครคารจันมปากะไปสู่นครมิถิลา บางเรือแตไในท่ามกลางมาหาสมุรทรพระโพธิสัตว์บ้ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันจนกระทั่งมีผู้มาช่วยและนำไปส่งที่เมืองมิถิลาผู้ช่วยได้ถามว่าเหตุฉนัยจึงว่ายอยู่ในทะเลทั้งทงที่ไม่ได้มองเห็นฝั่งเลยเป็นเวลาทั้งเจ็ดวันคนอื่นเขาตายกันหมดพระมาหาชนกตอบว่า เราไถ่จองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอนิสงฆ์แห่งความเพียรแม้ไม่เห็นฝังแต่ก็พยายามอยู่อย่างไม่หยุดยอ่อนท่ามกลางมหาสมุทรความจริงก็เป็นอย่างนั้นแม้เบื้องแรกจะมองไม่เห็นฝังแห่งความสมําเร็จแต่เมื่อบุคคลมีความพยายามไม่หยุดหยอ่อนจะต้องพบฝั่งแห่งความสมําเร็จเข้าในวันใดกวันหนึ่งพระพุที่ศาสน์ตรัสต่อไปว่า คนที่ทำความเพียนนั้นแม้จะตายลงก็พ้นคำคฤหาชื่อว่าไม่เป็นหนี้เมื่อทำกิจที่บุรุษควรทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเมื่อบุคคลได้พยายามดีๆแล้วจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จย่อมจะมองเห็นกรรมอันงามของตนดังนี้เป็นต้นในที่สุดได้ครอ ง, งรเป็นวิธีลาลนลครและได้พระนางศรีวรี ราชธิดาของพระเจ้ากรุงวิธิลานั่นเองตป็นพระอัครมเหสีเพราะความเพียรและความฉลาดแห่งตนส่วนที่ทรงมีความอดทนนั้นมีตัวอย่างมากหลายเช่นสมัยเมื่อเสวยประชาตินรวาถีดาบทหรือพรามชื่อกุณทะความยอดนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพรามชื่อกุณทะในกรุงพาราณสี บวชเป็นดาวบดอยู่ในหินมวันกับประเทศเป็นเวลานานปรารถนาจะได้ลิ้มรสหวานเปรี้ยวมันและเค็มบ้างจึงออกจากป่าหินมวันสู่กรุงพาราณสีเสนาบดีของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความเบิกบานประวรณาถวายปัจจัยสี่ดาบดโพธิสัตว์พักอยู่ณราชุตยาน ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่ากลาปุกเสวยทั้งจันทงจนมึนเมาแล้วไม่อาจคลองพระสติได้มีนักซ้อนห้อมล้อมเสด็จไปสู่พระราชาูเทยานโดยสมบรรทมทอดพระเสียรลงบ น, บนตักของหญิงซึ่งเป็นที่รักและพอพระราชทาอุทธายิ่งคนหนึ่งหยู่คนอื่นๆไม่เห็นพระราชาบรรทมหลับบนตักของพระสนมบนโปรดแล้ว ต่างก็พากันไปเที่ยวเล่นในราชยุทยานตามอธัธยาศัยเห็นนาบทโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งจึงนั่งลงนมัส ก, การแล้วนั่งฟังธรรมอยู่ธรรมะคถาที่นาบทแสดงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านนั้นไพเราะจับใจยิ่งนักผิดกับธรรมะคถาซึ่งออกจากตรรราพระราชาทรงตื่นจากบรรทม เมื่อได่าพระเนธเห็นหญิงทงลายเหล่านั้จนจึงกลุ้มมากข้าพระทัยว่าหญิงเหล่านั้นมีพระบรมเดชาลูกภาพจึงถือพระขันเสด็จไปตามหญิงคนโปรดที่เห็นดังนั้นจึงรืดแย่งพระขันจากพระหัตของพระราชาเสียเมื่อได้เห็นหญิงบริวารของพระ อ, องค์นั่งห้ามล้อมดาบทอยเหมืนดาวล้มเดือนเชนั้นความกลุ้มของพระราชาก็ถวีขึ้น ดุดนำเอาน้ำมันไปราดลงในกองเพลิงกำลังแท่เรื่องอะไรนะคนหลวงโลกพระเจ้ากาลาปุกตรัสถามอย่างเชิดแันชิงชังเรื่องขันติขอถวายพระพรขันติคืออะไรคือความไม่โกรธเมื่อคนอื่นด่าว่าเสียสีดูหมิ่นหรือประหารดีละคนหลอกลวง เราจะพิสูจน์ขันติของท่านว่าที่ตังสอนคนอื่นใม้มีดันตัวท่านเองมีหรือไม่ตัดจังนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกคนฆ่าโจมมาตัดสั่งว่าจงฆ่ารางของรางบุตรคนนี้ให้นอนราบลงบนพื้นดินแล้วเคี่ยนทั้งสองพันครั้งข้างละห้าร้อยคือข้างหน้าข้างหลังและสีข้างทั้งสองข้าเราจะบริพารต่างอกสานขวัญแขลนกทั่ว แต่ไม่อาจจะห้ามหรือขัดขวางพระราชาได้พวกผู้หญิงปากสันมือสั่นด้วยความกลัวคนข้าโจรเร่ร่อนทาตามรับสั่งพ่อเกรงพระราชายาจนพระดาบทนั้นสนุกมาเฟ้นขึ้นพระราชารับสั่งถามอีกว่าอ้าวดาบทว่าไปท่านสอนอย่างไรพูดอย่างไรว่าไปอัตมาภาพส่งเสริมขันติ ความอดนาทนขอถวายพระพรพระองทรงเข้าพระทัยว่าขันติอยู่ที่ผิวหนังของอาตมาหรือขันติไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังหรอกมหาบพิตรแต่อยนลึกลงไปในหัไทยของอาตมาภาพ สมูของดาบดเมื่อพระดาบยดยืนยันอยู่ว่าท่านสันเสริญขันติอยู่นั่นเองพระราชาทรงครียจัดจึงกระเทศกดาบดรวงตรงอกด้วบพระบาทอย่างแรงแล้วเสด็จกลีกไปท่านยิ้ใหญ่ซึ่งสามารถทรงไม่ได้ซึ่งของหนักมีภูเขาสิเดรุดราดเป็นต้นก็ไม่อาจจะทรงคนชั่วเช่นพระเจ้ากรลาปุกไปได้จึงแยกออก สู่พระราชาใจชั่วที่ประตูพระราชอุทยานนั่นเองพระองค์ไปบังเกิดแล้วในอเวจีมหานรกเมื่อพระราชาสเสด็จกลับไปแล้วเสนาบดีจึงเข้าไปประคองท่านดาบดเช็ดโลหิตประยุงให้นั่งและกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าท่านจะโกรธก็เป็นโปรธเฉพาะพระราชาเท่านั้นเถิดอย่าโกรดคนอื่นเลยตาบดได้ฟังดังนั้น จึงบรโลสีหนาาประกาศความที่ตนเป็นผู้มีความอดทนและไม่โกรธว่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเทา้าและหูและจบูกของเราแล้วขอพระราชาพระองค์นั้นจงดำรงพระชนมอาชีพอยู่ตลอดกาลนานเถิดคนอย่างเราหาโกรธไม่คื่อพุทธจารยาในอดีตที่เกี่ยวกับความอดทน ไม่เพียงแต่สมัยที่เสวยประชาติเป็นมนุษย์ทนั้นที่ทรงมีพระจริยาอันดีแม้สมัยที่สวยประชาติเป็นสัตว์ดิฉานก็ทรงมีพระจริยาอันน่าประทับใจยิ่งครั้งหนึ่งเสวยประชาติเป็นพญากระบีเ่เผือกมีขนขาวสะอาดปากแดงตัวใหญ่กว่าลิงทั้งปวงในป่านั้นครั้งหนึ่งพผานคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่า ตะเวนตกลงไปในเหวข้างที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ในเหวนั้นไม่อาจที่จะเปียนปลายขึ้นมาได้จึงส่งเสียงร้องก้องกังวานไปพญาลิงเผื่อผู้ ม, มาเที่ยวเก็บพลาผลอยู่ในป่าได้ยินเสียงนั้นจึงไปดูมองเห็นมนุษย์อยู่ในเหวมีใจกระตากหน้าวนะันอั้นตระหนักสับในวันบนห้วย วานองโพธิสัตว์จึงแสดงอาการให้ท้าว่าบัดนี้ถึงปากทางแล้วท่านสามารถไปได้โดยลำพังข้าพเจ้าจะกลับเพียงนี้ไม่ปาธนาจะเหยียบย่างเข้าไปในถิ่นมุษย์เพราะมุษย์ไม่ใจยากปากยางใจยางขนาดท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทำอุปการะให้ยังเป็นไปได้ถึงเพี่ยงนี้จะประสาอะไรกับคนอื่น ที่ขา้าพเจ้าไม่ได้เคยทำความดีอะไรให้เลยเมื่อพานเดินไปพอรับคลองจากสุขของพระโพธิสัตว์ทั่นเองโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นทั่วกายแผลแตกร่างโซนไปด้วยเลือดและหนองสิ้นชีวิตอย่างทุเรศเพรนาแล้วไปบังเกิดในอเวจีนรกการประทุสร้ายท่านภูมีคุณให้ผลอย่างนี้และอย่างมื่นอีกมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีความโกรุาประดุดพวงมหานกบารมีของพระองค์พระองค์ไม่เคยสั่งสมมาแต่ปางบันพระทัยของพระองค์มั่นคงในความดีประดุดแผ่นเบทานีใครจะขุดเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดสิน้นพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาโดยลำดับไม่ว่าถือกำเนาดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประเภทใดนั้นได้รวมตัวกันเข้า ทรงพระองค์ให้บรรลุแล้วซึ่งอภิสัมโูธิยานแต่นั้นทรงสงสารสรรพสัพตว์ผู้เวียน่ายอยู่ในสังสารสาคอจุงมเทศนาโปรดให้ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่อัธฉริยศัยแห่งเวล ย, ยศัตร์นั้นโดยไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากโรคระบาดเปล่าพระตถาคุเจ้าทรงจาริกไปในหมู่บ้านต่าบลชนบทหคราชทาดีต่าง ก็โปรยปลายทางวรรณะทรงสงเคราะห์ชนทุกชั้นโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าเป็นราชามหาเศรษฐีหรือคนขอทานสเสด็จเข้าไปโดยอาการอย่างเดียวกันไม่ว่าในปราสาทหรือในกระท่อมน้อยของคนเกิดใจแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะปริบิติานไปถึง 2,500 ปีเสร็จแล้วแต่พระพุทธจริยาอันประทับใจ ยังสังแน่นอยู่ในหะทยของชาวโลกทั้งหลายไม่ได้ลดเลือนเลยพุทธังสรนางขจามิเพรรื่อทำคําสั่งสอนอลัมข้าของพระองค์ยังคงอาํานรสุขแก่ชาวโลกอยู่ธัรมังสรนางขจามิพระอริยสง์สาวกของพระองค์ยังคงเป็นาศาสนาทายาทผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ ยังคงเดินถือธงนำหน้าพุทธศาสนาในการเว้นบามนปมำเพนความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นเนือนาบุญของโลกคํานวยแต่ความสวัสดีแก่ผู้เข้าใกล้อยู่สังขังสารังขจามิขอพระราชนาฏัยจงดําำรงเป็นธงชัยแห่งโลกตลอดไปเธอ